คำแนะนํำในการเจริญเทตกรมฐานสําหรับคําแนะนําในการเจริญพระกรรมฐานในวันนี้ก็จะขอนําเอาเรื่องของอู้บริหารสี่มาแสดงแก่บรรดาท่านผู้ถวริษัทสําหรับพู้บิหารสี่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เป็นพระกรรมฐานกลางจริงๆตามที่เด็กกล่าวมาแล้ว <c oughs> ว่าพระมีหันศีย่อมเป็นกำลังของฌานเป็นอาหารของศีลเป็นอาหารของฌานและเป็นอาหารของปัสนาญาณทั้ <c oughs> นี้ก็รู้ว่าพระมีหันศีเป็นกรรมฐานเย็น คือต้นเหตุของกรรมฐานทุกประมิหารสี่ก็คือหนึ่งความรักเมื่อเรามีความรักที่ไหนแต่คนต่างคนต่างรักกันใจก็เย็นด้วข้อที่สองระมิหารสี่ที่เรียกกันว่ามุทุตต้กรุณามีความสงสาร ถ้าทุกคนต่างคนต่างก็มีความสงสารเกลื่อนกลูนซึ่งกันและกันสงเคราะห์ซึ่งกันและกันก็เป็นอารมณ์เย็นความาร่าเรินมันก็ไม่มีโดการอิสามุุตาก็มีหันสี่มีปัจจัยให้เกิดความไม่ไม่อิจฉานิ่เสียซึ่งกันและกันมีการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน <c oughs> และก็มีใจดีคือยินดีในบุคคลอื่นได้ดีเมื่อเห็นใครเขาได้ดีแล้วแล้วก็ยินดีด้วยดีใจด้วยร้อมรับความดีของผู้ที่ทรงความดีแล้วมาปฏิบัติเพื่อผลง้วยความดีของตนอันนี้เบรการหนึ่งเป็นปัจใจัยให้มีความเยือกเกน นั่นก็ประการที่สี่ก็มีหันสีมีอุบเบกขาคำว่าอุบเบคาในที่นี้แบ่งเป็นหลายชั้นแต่อยขอพูดสั้สนๆไปก่อนนั่นก็คือมีอาการวางเฉยต่อรมที่เข้ามากระทบใจหมายความว่าใครเขาจะดา่าเขาจะว่าเขาจะนินทาเราก็เฉยจิตสบาย ใครเขาเยกชมเขาเย่สรรเสริญแล้วก็เฉยไม่รู้สึกคาว่าไม่รู้สึกลอยไปตามคำมาถ้อยคำเขาบุคคลนั้นจิตใจมีความเป็นปกติไม่ขึ้นไม่ลงไม่วันไหวอย่างนี้มันก็เป็นอาการของความสุข <c oughs> รวมความว่าพรหมวิหารสี่นี้เป็นอารมณ์เป็นปัจจัยให้เกิดความสุข นี่การบมเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนาเราทำกันเพื่อความสุขคือสุขทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วก็สุขเมื่อตายไปแล้วเมื่อเรามีชีวิตอยู่เรามีความสุขตายไปเกิดที่ไหนก็ตามมันก็มีความสุขดะงนั้นพร ม, มีอาหารสี่นี้จริงชื่ว่าเป็นอาหารใหญ่สำหรับใจ ในได้ของความดีคนที่มีพรหมิหารสี่สมบูรณ์ย่อมมีศีลบริสุทธิ์คนที่มีพรหมิหารสี่สมบูรณ์ต้องย่อมมีฌานสมาบัติตั้งมันคนที่มีพรหมิหารสี่สมบูรณ์เพราะอใสยใจเยี่ยงเย็นปัญญาก็เกิดเมื่อพูดเพียงเท่านี้หวังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัท ที่มีกำลังใจใช้ปัญญาก็จะได้ทราบชัดว่าพรมิหารสีน่นี้เป็นพื้นฐานแห่งความเป็นพระอริยเจ้าแน่นอนแต่ว่าก่อนที่จะพูดอะไรอย่างอื่นก็ขอเตือบนบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่ก่อนว่าการเจริญสมาธิคำว่าสมาธิก็คือการตั้งใจ ย้งตั้งใจไว้ในเขตเครื่องความเป็นพระอริยเจ้าอย่าตั้งใจสงเด็มันจะเสียเวลาขาดทนเปล่ า, าการตั้งใจไว้ในเขตความเป็นพระอริยเจ้าก็คือหนึ่งคิดไว้เสมอว่าชีวิตของเราจะต้องตาย ถ้าความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายไม่มีเวลาวันเวลาแน่นอนคนเกิดก่อนตายที่หลังคนที่หลังก็ถมไป <c oughs> คนเขาเกิดพร้อมเราก็ตายก่อนเราก็ถมไป <c oughs> จงคิดว่าความตายจะมีแก่เราในวันนี้แล้วก็พยายามสั่งสมความดีนั่นคือ ใช้ปัญญาพิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระธรรมความดีของพระอริยสงฆ์พิจารณาดูว่าควารเคารพนับถือไหมแล้วก็ต่อไปตั้งใจทรงสินห้าให้บริสุทธิ์สำหรับสินห้านี่เป็นสินของพระโสดาบันกรบมสกิทาคามี สำหรับพระเนนต้องทรงศีลตามฐานะของตนให้บริสุทธิ์แล้วก็มีจิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์จุดที่เราจะรู้ว่าเราเป็นพระโสดาบันหรือไม่ก็อยู่ที่กําลังใจทรงศีลหรือเปล่าถ้าศีลห้าของเราไม่บกพร่องใจรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ท่านเป็นพระโสดาบัน นีการทรงสมาธิจิตนี่จะต้องทรงไว้ตรงนี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งภาวนาว่าพุทโธธรรมโอสังโฆดิฏวิโสพรกวาทรงเดชอย่างนั้นน่ะเป็นของดีไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าดีไม่มากหมายความว่าดีอย่างนั้นเราก็จะต้องเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะไม่มีที่สิ้นสุด จงอาจิตจับจุดที่เราจะเกาะเข้าถึงพนิพานไว้อันดับแรกอย่างน้อยที่สุดในชีวิตนี้ก็ควรจะได้ประสูดาบรรถ้าจิตใจขมันดาท่านาหลายคิดว่าการทรงความเป็นประสูตาบรรตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อปีนี้มีอยู่ในกำลังใจของท่านหลังจากนั้นก็ก้าวไปจับจุดอรหันเลย คอมีกำลังใจคิดว่าเราจะตัดการม่ฉันทะความพอใจในเพศด้วยอสุภกรรมฐานกับกายคตานุสติเราจะตัดความโกรธด้อำนาจส ม, มวิหารเราจะไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกคือร่างกายของเราร่างกายของชาว บ, บ้านและวัตถุธาตุต่ า, างๆ ว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ยังทรงชีวิตอยู่เราต้องหาเราต้องใช้ตายไปแลว้วก็เลิกกันไม่ต้องการอะไรกับมันขอบัรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งใจไว้อย่างนี้จึงจะสมกระเจตนาที่องค์สมเด็จพระชินสีบรมร ส, า, สมารเสนาสัมมาสัพพุทธเจ้าทรง ตั้งใจบำเพ็ญบารมีมาเพื่อสอนเราต้องใช้เวลาที่เสียสงไข่กับแสงกลับสำหรับตอนนี้ไปก็จะได้พูดถึงพรหมวิหารสี่ความจริงสิ่งนี้เป็นของไม่ยากพรหมวิหารสี่หรือว่าอะไรก็ตามความจริงจิตของเรามันคบกับความเลวมามาก ที่ว่าคบกับความเร็วมามากแต่มันไม่ในหมายความว่าจะคบแต่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวเราเกิดกันมานับชาติไม่ทวนถ้าจะใช้เวลาเป็นอรสงค์ใครกับมันก็นับอสงค์ใครกับไม่ได้แน่นอนแต่ว่าเวลานี้การเกิดการตายเราผ่านมาแล้วทุระยะ มันไม่มีการสิ้นสุดเกิดเป็นมนุษย์มันก็เป็นทุกข์เกิดเป็นเป็นสัตว์นใบยภูมิมันก็เป็นทุกข์เกิดเป็น เ, นนนเน ท, เดเนทวดาหรือพรหมก็ยังมีอารมณ์ไม่หมดทุกข์เพราะว่าถ้าสิ้นบุญมรนาบารมีก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นคนและไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปลือกตะเกายสติเรนชานวนไปเวียนมาอย่างนี้มันก็ไม่มีอาการหมดทุกข์ นี่เราทุกข์กันมาหาที่สุดมิได้แล้วเวลานี้มาพบศาสนาขององค์สมเด็จพระบัีแก้วทรงชี้ทางให้เราหมดทุกข์คือก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานแล้วก็เริ่มต้นอย่าลืมยาทิ้งอนาปานุสติกรรมฐานเป็นการควบคุมอารมณ์ให้ทรงตัว แล้วก็อย่าลืมความตายอย่าลืมเคารพในคุณพระรัตนตรัยอย่าลืมทรงศีลให้บริสุทธิ์อย่าลืมนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์พ่จะตายครา้นี้เราจะไปนิพพานใครเขาจะหาว่าเราบ้าเราบอกก็ช่างการบ้าเพื่อสแสวงหาความดีก็เป็นการสมควร ถ้าบ้าเพรแสวงหาความชั่วไม่ครบ้าถ้าจะบ้าพระนิพพานในพยายามบ้าให้มากมันจะไม่มีความสุข <c oughs> อันนี้ดินแดนแห่งพระนิพพานที่เราจะไปจุดสำคัญจุดใหญ่อยู่ที่พรหมวิหารสี่ต้องฝืนกันหน่อยนะสำหรับกำลังใจเพราะเราใจเรามันชั่วมันนาน ชั่วเข้ามน่ายกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมกิเลสคืออารมณ์วุ่นวายที่ไม่ตั้งอยู่ในความดีตัณหามีความทยานอยากแบบโ ง, โง่ๆอยากลักอยากขโมยเขาอยากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยากแย่งคนรักอยากโกหกหม่าเท็จอยากเดื่มสุรามีไร แต่เกียรแต่กายหาที่สุดมีได้ในความโลภนี่มันอยากเลวตัณหาก็เลยตัณหาคือความอยากเนี่ยตัณหามีกิลเลสที่ไม่ช่วก็เลยอยากแบบนั้นอุ ป, ปาทานยึดมั่นด้วยกำลังใจว่าทําอย่างนั้นเป็นของดีจึงเกิดการกระทําความชั่วขึ้นที่กันเรียกว่าอากุศลกรรม ทำด้วยความไม่ฉลาดเราจึงมีความลำบากมาถึงวันนี้ต่อ น, นี้ไปเราตัดทิ้งมาเสถะ อ, อนาปานุสติกรรมฐานพยายามส่งไว้ให้จิตอยู่ในขอบเขตที่เราต้องการมาพิจารณาคำสอนขององค์สมเด็จพระวิธิตมานนั่นก็คือไม่ตาความรัก ในพรมมิหายข้อที่หนึง่งความจริงเป็นของง่ายนะแต่ว่าการแผ่ไม่ตายความรักเรามีความรู้สึกและคิดอยู่เสมอว่าเราไม่เป็นศัตรูกับใครในโลกนี้โลกนี้โลกหน้าโลกผีโลกเทวดาโลกนรกโลกสวรรค์โลกรมเราไม่เป็นศัตรูกับใครทั้งหมด ยิื่สว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเราทั้งๆ ท, ที่เราทำความดีแต่ว่าผลสนองให้กับเราเป็นปัจจัยแห่งความวรัรรอนนั่นถือว่าเราใช้หนี้กรรมเขาไปชาตินี้เราไม่ได้ทำเขาใชา่ก่อนเราคงทำเขา เมื่อเขาจะมารับผลของเขาคืนก็คืนนี่ก็ไปตามอัติยาสายัยใครเขาจะด่าแล้วก็เฉยยิ้มเราไม่ได้มีโอกาสใช้นี่แล้วใครเขาจะดินทาแล้วก็ยิ้มเขาเขาจะแกล้งแกล้งก็ชังตั้งหน้าต่างตาทำความดีถ้านนอจะนั่นก็มีจิตน้อมในความไม่ตาย ว่าโอ๋หนอคนทั้งหลายเหล่านี้ทําไม่จริงหรืโง่อย่างนี้ถ้าเขาด่าเราแล้วก็เราด่าตอบเขาจะมีความสุขหรือความทุกข์เราเป็นมิตรกับเขาเขามีความสุขเพราะเรากับเขารักกันแต่ว่าถ้าเขาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราเราก็ไม่ประกาศตนเป็นศัตรู แต่ว่าตัวเขาเหล่านั้นเขาจะมีความสุขไหมเขาก็มีความทุกข์เพราะว่าเขาคิดว่าเราเป็นศัตรูกับเขาเขาจะต้องระแวงอันตรายที่เราจะทำกับเขานั่ น, นแสดงว่าเขาสร้างความทุกข์ของเขาเองคนเลวกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าการประกาศตนเป็นศัตรูกับคนอื่น บางทีคนอื่นยังไม่คิดว่าจะทําอันตรายเขาแต่เขาคิดเขาคิดว่าคนเราเป็นคนที่เขาด่าไว้เขาว่าไว้เขานินทาไว้เขากั่งแกล่งไว้จะทําอันตรายกับเขาคนประเภทนี้ใจของเขาไม่มีความสุขใจเรามีความรู้สึกยังไงเราไม่เกลียดเราถือว่าเขาเป็นทาสของความชั่ว ความชั่วเป็นนายของเขาคือกิเลสตัณหาอกาทานและกุศลกรรมแทนที่เราเกลีย ด, ดแล้วก็รักใปนด้านของกรุณาเมตตาคือความรักมีอยู่สงสายเขาว่าเขากับเราไปเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเขาเกลียดทุกข์รักสุขแต่ว่าทำไมเขายังทำเหตุถึงความทุกข์ ก็เพราะว่าเขาเป็นคนโง่เอดีไม่ดีเขาก็เป็นคนบ้าโบราณท่านบอกว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมานี่เราไม่ถือคนบ้าเราไม่ว่าคนเมาเราไม่โกรธเขาถึงแม้ว่าเขาจะโกรธเราก็ยังมีความเมตตาปราณีในเขาแต่ถ้าว่าจงระวัง ในขณะใดที่เราไม่สามารถจะสงเคราะห์ให้เขาเข้าใจในความดีได้ตอนนั้นเราต้องลดเป็นอย่าไปแนะนำอย่าไปสันเสริญอย่าไปให้การช่วยเหลือเพราะว่าอารมณ์ขอเขาเศร้าหมองถ้าเราไปทำอย่างนั้นเขาจะคลั่งมากเขาจะหาว่าเราไปชดไปฉัน ตอนนี้ที่โอกาสที่เรายังช่วยเขาไม่ได้เราก็วางเฉยเรือ่นนองอำนาจของเมเบคาใจเราก็เป็นสุขถ้าเนดาด่ามาเขากลั่งม า, ใ จ, า, มาใจเราไม่เราใจเราไม่โกรธเราก็ควรจะภูมิใจว่าคุณธรรมสำคัญที่องค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสินดาทรงให้กับเราเราทรงได้แล้ว นั่นคือเมตตาความรักกรุณาความสงสารและก็อมเบะขาตัวความวางเฉยในด้านของอารมณ์นี่สำหรับตัวกรุณานี่ก็เหมือนกันให้เมตตาความรักเรามีแต่กรุณานี่ถ้าดีไม่ดีมันก็เกินขอบเขต เราจะสงสารเราจะเกื้อกูลเขานี่ต้องดูให้เป็นการควรไม่ใช่เกินคนดีดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระจินทร์สีบรมศาสต ร, ร์สันดาส ม, มาสมพุทธเจ้าตอนที่พระเทวทัตรับฟังคำสั่งสอนของพระองค์ พระองค์ก็ทรงให้การแนะนำสอ่งสอนด้วยความไม่ตากรณีอย่างยิ่งต่อมาเมื่อพระเทวทัตเกิดความยิ่งแยโสคีดคดธรยศจกกะกบฏต่อพระองค์ตอนนี้พระพุทธเจ้าหยุดสอนเพราะว่าถ้าขืนสอนขืนทรงเคราะห์พระเทวทัต ก, ก็ไม่รับพระองค์ก็ทรงอมเบกขาวางเฉยไว้ นี่ตัวกุณานี่ต้องวางใจให้มันเหมาะสมคือความสงสารมีอยู่แต่โอกาสไม่สมควรนี่เราต้องเว้นข้อดีสา ม, มุมทุตาการไม่ฉานิสิยาเขาเป็นของดีอีกใจเราเป็นสุขเห็นใครเขาได้ดีก็ไปนั่งพิจรารณา ว่าฐานะเขาเสมอกับเราในขั้นเดิมมีความรู้เช่นเดียวกันมีร่างกายมีอาการ32เหมือนกันแต่ทําไมจิตการงานเขายึงก้าวหน้าไปไกลเขาดีมันได้เพราะอะไรเขาดีเพราะความขยันมันเปลียนฉันทะรักในงานนั้นจิตวิริยะมีความเปียน จิตตะมีจิตใจจดจอด่อคุณในหวังในการทำงานมีมังสะก่อนจะทำก่อนจะพูดก็ใช้ปัญญาพิจารณาก่อนเมื่อเขาทรงคุณธรรมสี่บริการอย่างนี้ความดีพุ่งไปข้างหน้าของเราเราก็ไม่ฉาเขาแล้วก็นั่งมองเบา อ, อ๋อเขาดีแบบนี้คือในเมื่อเขาดีได้เราก็ดีได้ เขาเกิดมาเป็นคนมีอวัยวะอาการ32เราก็มีเท่าเขามีมือมีเท้าเหมือนกันมีจิตมีใจเหมือนกันถ้าเขาดีได้ด้วยประการดังนี้เราก็จะดีบ้างไม่ใช่ช้าเขารือไม่ใช่แข่งกับเขาเห็นว่าผลของความดีเป็นปัจจัยของความสุขแล้วก็ทาตามเขา นี่แล้วว่ากันถึงว่าการฝึกในเบื้องตน้นในความเมตตากรุณาตรงสำารการนี้องค์สมเด็จพระิินศรีทรงสอนว่าในอันดับแรกอย่าเพิ่งแผ่เมตตาไปในบุคคลที่เราคิดว่าเป็นศัตรูต้องยับยั้งไว้ก่อนแผ่เมตตาคือความรัก การนาความสงสารไปในบุคคลพระบรมเดียวกันที่มีกำลังใจเสมอกันเป็นกลุ่มคนที่เรารักและกลุ่มคนที่เราไม่เกลียดที่คิดว่าไม่เป็นศัตรูเพราะว่าอันดับแรกแค่พุ่งน้ามุ่งหน้าไปหาศัตรูแล้วก็จิตมันจะหวั่นไหวจนเมื่อกำลังใจของเราแม่นคงดีแล้วต่อไปแล้วก็มองดูองค์สมเด็จพระบัณฑแก้ว ที่สมเด็จพระผู้มีพระไพ่เจ้าทรงทรงเคาะไม่เรียกบุคคลใดเกําลังใจเข้มแข็งความจริงพระเทวทัตเป็นศัตรูของพระองค์มานับแสงกลับและนับประสงค์ไข่กลับพระพุทธเจ้าก็รู้แต่ตอนที่พระเทวทัตกมขมาเคาะบวชแก่องค์สมเด็จพระบรมครูพระองค์ก็ไม่ทรงถือโทษ กลับให้การอุปสมบทสอนให้ได้พิญญาสมาบัตินี่น้ำประทัยพระองค์สมเด็จประสง์สวัสดิ์เห็นศัตรูเป็นมิตรมีจิตประกอบไปความเมตตาปราณีสมเด็จพระชินาสีม่ไดหวงไม่ได้ห้ามไม่ได้กันไม่ได้แกลงเขาพระพุทธเจ้าทำยังไงเราก็ทำอย่างนั้นตอนนี้เนะี่ยต้องขอให้ใจมันสูงซะก่อนนะ กำลังใจเข้มแข็งเสียก่อนตอนนี้เราก็มาว่าการถึงผลของพรห ม, มวิหารสี่พรหมวิหารสี่ถ้าความรักของเรามทารงตัวทรงจิตใจเห็นหน้าใครที่ไหนก็ตามเราก็รักเหมือนก็รักตัวเรา จะเป็นชาติเดียวกันภาษาเดียวกันคนชาติต่างต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศต่างลัทธิต่างศาสนาต่างอะไรทั้งหมดก็ชังพขมองเห็นหน้าก็คิดว่าโอหนอเขานี่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายสำหรับเราเรากับเขามีสภาวะความต้องการเหมือนกันคือเกลียดทุกข์แล้วก็รักศก จิตเราก็มีความเมตตาปราณีไม่คิดจะเป็นสตรูกับเขาและนอกจากนั้นตั้งใจของเราก็คิดไว้เสมอว่าถ้าหากว่าเขามีทุกข์เมื่อไหร่ถ้าไม่เกินวิสัยสาหรับเราเราจะสงเคราะห์ทันที นี่น้ำใจของเราเป็นอย่างนี้แต่ว่าการสงเคราะห์ต้องดูว่าควรหรือไม่ควรอย่าดีเกินไปเอาดีแค่พระพุทธเจ้าใช้ปัญญาพิจรารณาเสก่อนอย่างกับคนที่เราให้การสงเคราะห์อนุเคราะห์พึ่งพิงอาศัยในสถานที่ใกล้เคียง อาศัยเมียชีพจากเราเป็นสำคัญแต่ว่าเขาผู้นั้นยังประกาศตนเป็นศัตรูอย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมครูบอกว่าอย่าเพิ่งเมตตาเขาแต่ว่าเราก็ไม่ประกาศตนเป็นศัตรูจิตสงสารแต่ยังกรุณาจึงยังเรื่อกุลอะไรไม่ได้เพราะว่ากําลังใจของเขาของเขายังเหลวให้ไม่ยอมรับ เหมือนกับฝนที่ตกลงมาแต่ชัวชาวบ้านนำํำตะกร้าไปรอง น, น้ําฝนฝนจะเมตตากราณีกับเขาเพื่อนใดก็ตามทีแตะกร้ามันรับน้บนําฝนไม่อยู่พระองค์สมเด็จพระบรบมครูทรงคิดอย่างนี้ท่นนี้ถ้าหากว่าความรักความเมตตาความกรุณาส์คือความรักแด้ก็เมตตากรุณาได้กัความสงสาร มุทุตาได้กระจิตอ่อนโยนนุเวขาตัววางเฉยสามเราการนิทถทรงอยู่ในจิตสิ่งใดที่ไม่จะเกิดกับเราสิ่งที่จะเกิดกับเราอย่างนั้นก็คือหนึ่งความเป็นประสงดับันสองสีทาคามีสามอนาคามีจะมาอยู่ที่เราได้อย่างง่าย ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเมตตากับกรุณาณ์ทั้งสองประการถ้ามีรบจำใจเขมรดาใานพุทธบริษั ท, ทุท่านเรารักเราสงสารเราฆ่าใครได้ไหมเรารักเราสงสารเรารักเราขโมยเขาได้ไหมเรารักเราสงสารเราแย่งคนรักเขาได้ไหม เรารักเราสงสารเราจะโกโหกโพเทศเขได้หรือเปล่าถ้าเรารักเราสงสารกับคนที่เราอยู่เราจะทําลายสติสมัมปชัญญะคนไล่ฟันเฟือนด้วยการดื่มน้ํามันน้ําเมาได้หรือเปล่าในที่สุดสิ่งห้าราการนี้เราทําไม่ได้ เพราะอะไรพ่อเรารักเราสงสารคนที่เรารักสัตว์ที่เรารักที่เราสงสารเราฆ่าเราก็ฆ่าไม่ได้เราตั้งใจจะทรมานทาร้ายแล้วก็ทาไม่ได้เรารักเราสงสารเราขโมยก็ไม่ได้ขโมยยังไงก็รักเขานี่สงสารเขานี่ขโมยเขามาเขาก็อดแล้วก็ทำไม่ได้ เรารักเราสงสารเขาเขารักกันอยู่เราจะไปแย่งคนรักเขายัางไง ร, รักสงสารและต้องการให้เขามีความสุขถ้าเราไปโกหกเขาเขาก็มีความทุกข์เราทำไม่ได้เป็นนั้นว่าการดื่มสุรามีไรใช้ปัจจัยไม่เกิดประโยชน์เราก็ไม่ทำเป็นอนันาเมต์ตากระขนนาทั้งสองด้วยกันเป็นปัจจัยให้มันดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน เป็นผู้ทรงสินห้าบริสุทธิ์ถ้ากำลังใจสูงก็ทรงสินแปดบริสุทธิ์เมื่อสินห้าบริสุทธิ์ไม่บกครองจิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์เรื่องความตายเราไม่ต้องคูดกันก็ได้ เพราะคนที่ทรงศีลบริสุทธิ์พราะคนรู้ตัวจะตายอาศัยความดีของศีลเป็นสำคัญถ้าจิตต้องท่านก้าวไปนิดหนึ่งคิดว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นปัจจัยของความทุกข์ความสุขจริงๆก็คือนิพพานจิตรักนิพพา น, เ ป, นาเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์จริงเท่านี้องค์สมเด็จระมะโมนี ทรงตัดว่าท่านเป็นพระโสดาหรือว่าสัิฆาคามีเห็นได้ อ, อย่างบรรดาท่านพทธบริษัททุกท่านคมว่าวิหารสี่โผล่ขึ้นมาแับเดียวก็ปรากฏก็ก้าวจับก็ไปเป็นพระอริยเจ้าขั้นโสดาหรือสีาาิถาคาแต่สำหรับวันนี้เวลามันหมดแล้วขอสาวกขององค์สมเด็จเระาไปที้แก้ว ต้องตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรโลโลโลู้ลมให้ใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามบทิยาสัยิ่งกว่าจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี